หน้าเพลิดเพลินเจริญใจอะไรเลยบอกอีกสิบปีข้างหน้านะเขาจะเป็นยังไงยี่สิบสามสิบห้าสิบเดี๋ยวเหอะขันห้าจะซ้อมซะเขาน่วมหมดเลยนะเดี๋ยวขันห้าจะทำให้เขาผมเนี่ยขาวโพลนอย่างเงี้ยเขาทเดี๋ยวจะทำให้ผิวหนังที่ดูงามเนี่ยเฉาไปหมดอย่างเงี้ยนะเขาต่อสู้กับโลกเคยเห็นคนชนะโลกบ้างไหมเจงกิสขันเนี่ยนะถือว่าเก่งเก่งเก่งเก่งที่สุดไปถึงไหน ไปตายข้างทะเลเนี่ยนะอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ก็เที่ยวเข็นเที่ยวข้าในที่สุดก็แพ้มันในโลกนี้ใครที่ชนะแท้จริงอันนะี้ความไม่ของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยคือความชัยชนะที่แท้จริงก็คือที่สุดก็คือความไม่เที่ยงความตายเนี่ยคือผู้ชนะสิทธิ์ทิศแท้ๆเลยไม่มีทิศไหนที่ความตายจะพ่ายแพ้เพราะความตายชนะแม้แต่พระพุทธเจ้า ชนะหมดเลยทุกเรื่องในโลกนี้นะขึ้นชื่อว่าสังขารไม่มีพ้นจากความความแก่และความตายมันผู้ที่เจริญิปั ส, สนาจนนึกถึงอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มีความแก่และความตายเพราะความคิดนั้นเองก็เป็นไปกับความแก่และความตายโดยที่สุดแม้แต่ความคิดก็เลยไม่เยื่อใหญ่อะไรใยดีในสัพพะสังขารทุกชนิดเนี่ยนะ ก็ตอนนี้ก็ถ้ายัา ง, ยงเห็นอะไรก็น่ายินดีไปหมดถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เจริญอนุปัสนาเจให้กต่จริงถ้าใครปรารถนาขอให้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ก็เท่ากับบอกว่าขอให้ตัวเองเจริญอนุปัสนา7ไม่ไม่ต่างกันถ้าทําบุญตั้งความปรารถนาขอให้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ก็เท่ากับเจริญอนุปัสสนา7ถ้าเจริญอนุปัสนา7ก็เท่ากับเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเจริญสัมมาทิฏฐิ อันผู้ที่เจริญสัมมาทิฏฐิถูกต้องบริบูรณ์มรรคองแปดที่เหลือก็จักตามมาเนี่ยนะก็จักตามมาแล้วก็สักวันหนึ่งนะจะต้องคิดยังไงให้เที่ยงขันห้าก็นึกหาไม่เจอเลยนะคิดยังไงให้ว่าขันห้าเป็นสุขคิดยังไงให้มองว่าขันห้าเป็นของงามคิดยังไงให้เห็นว่าขันห้าเป็นอัตตาใครครวญแสวงหายัางไงก็ไม่พบหาไม่พบจริงๆถ้าอย่างนี้ได้นะ ใครมีปัญญาได้ขนาดนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะแต่อย่าลืมอย่าทำให้ปัญญานี้เสื่อมเข้าละถ้าปัญญาเสื่อมเป็นยังไงปัญญานี้เสื่อมเป็นไหมเป็นบอกโอ้ยอีกนานเนี่ยนาะอันนี้ก็ปัญญาเสื่อมไปเลยนะนี่สุกปัญญาก็เสื่อมไปอีกแล้วนี่งามปัญญาก็เสื่อมนี้อัตตาปัญญาก็เสื่อมเนี่ยนะฉนั้นข้าเจริญให้ดีก็อย่าระวังยักรักษาอย่าให้ปัญญานี้ถึงความเสื่อมไป ท่านสรุปโดยสรุปเนี่ยนะผู้ที่ปรารถนาจะทําให้พ้นจากปรารถนาจะพ้นจากสังขารก็ต้องแสวงหาอุบายเพื่อให้พ้นจากสังขารนี้อุบายที่จะทําให้พ้นจากสังขารเนี่ยนะทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยคูณ40ให้หมดเลยนะคูณอนิ จ, จโตทุกตโตนั่นแหละทุกอย่างเลยเช่นพิจารณาตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะ สีจากคูวิญญาณภัสสะเวทนาทั้งหมดเนี่ยคูณคูณคูณคูณคูณอนุปัสนาเจ็ดจนชำนิชํานาญจนจนอะไรนะจนจนต้องออกอะ่ะตอนนั้นเถอะแล้วทําไมต้องออกด้วยเนาะทําไมต้องออกอ้าวก็อยู่สบายสบายดีอยู่แล้วจะต้องมาเจริญทําไมทําไมทําไมต้องมาเจริญด้วยพมนุชมันก็อยู่อ ย, อยู่ทุกวั น, ท, วนทุกวันก็สบายดีอยู่แล้วทําไมต้องมาเจริญ ฮะไม่สบายจริงยังไงไม่มาทําปริญญาให้ฟังไม่ดีจริงยังไงขันท่าเลี้ยงกันมาตั้งหกเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยนะก็น่าจะดีใช่ไหมอันที่จริงเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยที่ยิ่งเลี้ยงยิ่งแก่เนี่ยนะัคือขันท่าร่างกายของเราเนี่ยนะบํารุงนะให้อาบให้อบให้นวดให้กินยิ่งดูแลยิ่งเสื่อมอยิ่งดูแลยิ่งเจงเลยนะยิ่งดูแลแทนที่จะเจริญขึ้นต้นไม้ใบหญนะ้านยถ้ายิ่งปลูกมาหกเจ็สิบปีนี่ ถ้าเป็นต้นไม้มีแก่นนี่จะต้องดูงดงามไปได้ใช่ไหมแต่ขันห่านี่ยิ่งเลี้ยงยิ่งลาบากดูเหอะใครจะเลี้ยงให้มันสาวขึ้นสาวขึ้นเนี่ยยากเต็มทีเลี้ยงและแก่ทุกวันทุกวันจนกว่าจะเห็นอย่างนี้นั่นแหละต่อไปว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้ปฏิสังขารยาณอันเป็นออันเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจร น, นั้นแล้วซึ่งท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวไม้เอากล่าวไว้ว่า ถามว่าเมื่อพิสุมณสิการว่าไม่เที่ยงยานย่อมเกิดขึ้นเ พ, oui เพเราะพิจารณาอะไรมณสิการว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตายานย่อมเกิดขึ้นเพราะพิจารณาอะไรตอบว่าเมื่อมณสิการว่าไม่เที่ยงยานย่อมเกิดขึ้นเพราะพิจารณานิมิตเมื่อพิจารณาเมื่อมณสิการว่าเป็นทุกข์ยานย่อมเกิดขึ้นเพราะพิจารณาปวัตตะ เมื่อมนัสิการว่าเป็นอนัตตายานย่อมเกิดขึ้นเพราะพิจารณาทั้งนิมิตและปะวัตตาเราเคยพูดมาบ้างหรื อ, อยังนี่พูดมาที่หน้าไหนหน้าไหนหน้าสองร้ยสิบเจ็ดเนี่ยนะหน้าสองรอสบเจดก็กล่าวไปบ้างแล้วใช่ไหมบอกเมื่อมนัสิการว่าไม่เที่ยงนิมิตย่อมปรากฏว่าเป็นของหน้ากลัวเมื่อมนสิการว่าเป็นทุกข ปวัตะย่อมปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวเมื่อมนุิการว่าเป็นอนัตตานิมิตและปะวัตะย่อมปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวแล้วก็ยังเคยกล่าวอีกครั้งหนึ่งเมื่อหน้าเท่าไหร่ในหน้าหกสิบสามหกสิบสี่เราก็เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะเนื้อหาไม่ต่างกัน หกสิบี่บอกว่าเมื่อมนสิการไม่เที่ยงย่อมเห็นนิมิตตามความเป็นจริงมนัสิการโดยความเป็นทุกข์ประวัติะนะป ร, ะรากฏประวัติะตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการว่าเป็นอนัตตาก็ย่อมเห็นทั้งนิมิตประวัติะตามความเป็นจริงนะเมื่อหน้าหกสิบสาทีนี้หน้าสอง้สิบเจก็นัยยะเดียวกันมาจนถึงหน้าสองสบสก็นัยยะเดียวกันอยู่เองนะก็ยังมีการพูดเนื้อหาคงเดิมเลย สามครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่มานัาสการว่าไม่เที่ยงยานก็พิจารณา น, นิมิตคืออะไรนิมิตคืออะไรนิมิตคืออะไรจําได้ไหมนิมิตคืออะไรในหน้าสองร้อยสิบเจ็ดบอกว่านิมิตคือเป็นชื่อของสังขารทั้งหลายในการสามอดีตอนาคตและปัจจุบันประวัตะวัตะในภูมิสามเนี่ยนะทั้งการมาพบรูปประพบและอารูปประพบนั่นแหละ พัขันห้าในภูมิสามการสามขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้าเหล่านี้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งระดับกามประพบระดับรูปประพบและอรูปประพบก็มนานัสการว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้ามานัสการว่าไม่เที่ยงพิจารณานิมิตมนานัสการว่าเป็นทุกข์พิจารณาปวัตตพิจารณาอนัตาก็ทั้งนิมิตและปะวัตต ก็ในพระบาลีนี้คําว่าพิจารณานิมิตความว่ารู้สังขารนิมิตด้วยอนานาจแห่งอ น, นิจจาลักษณะว่าไม่ยังยนนงนะย่งยืนไม่ยั่งยืนอนิจจ์นะไม่ยั่งยืนเป็นไปเพียงเท่านั้นมันมีอายุอยู่เท่านั้นแหละคนดีพึงดูหมินอายุนั้นเสียเพราะเพราะ อ, อะไรคนที่เป็นอยู่นานอย่างมากก็ร้อยปีหรือเกินบ้างก็น้อยนิดหน่อยเกินสักเท่าไหร่ดี ถ้าขอร้อยปีนี้ขอเกินสักกี่ปีสันหัวเลยนะอล้วยังจะรีบไปไหนตอบยากนั่นนะไอ่อยู่ก็ไม่อยู่จะไปก็ไม่อยากไปเนะี่เอาไงดีเนาอนั่นอยู่หนักๆเขาก็อะไรนะน้ำยังจะกลืนยากเลยนะเนาะแล้ววที่สุดแล้วยังกลืนยากเลยนะจากลาไปใหญ่ถึงอย่างอื่นนะนะ่น ก็ในพระบาลีนี้คำว่าพิจารณานิมิตความว่ารู้สังขาร น, นิมิตด้วยอำนาจแห่งอนิจจาลักษณะว่าไม่ยั่งยืนเป็นไปเพียงเท่านั้นก็แต่ว่ารู้ก่อนแล้วยานจึงเกิดขึ้นในภายหลังแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นท่านกล่าวว่ า, อ ย, า, า, า, วาอย่างนี้ว่ายานเกิดขึ้นมาพิจารณาโดยเกี่ยวกับเป็นโวหารเหมือนอย่างคาที่ท่านกล่าวว่ามโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้น อ่าก็รว่ารู้ก่อนแล้วยาญจึงเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนะก็คือเป็นการพิจารณาย้ําไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วปัญญาก็อั น, นิีจังเนี่ยนะอยู่ๆแล้วปัญญามันเกิดพุ่งขึ้นมาเองเลยใช่ไหมอั น, นิีจังอยู่ๆแล้วปัญญามันโผล่ขึ้นมาว๊บนี่ทุกอยู่ๆแล้วปัญญาเกิดมาวูบขึ้นนี่อนัตตาอย่างนี้หรือ่าอ่ะบูบวาบอย่างนั้นหมต้องลองทําไง เนี่ยนะท่านจึงบอกว่าต้องอาวัชนะก่อนต้องเอามาคิดก่อนต้องต้องต้องเก็บมามาพิจารณาเพราะว่ายังไงเสียอ่าเรียกว่ารู้ก่อนแล้วยานจึงเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนะก็คือเป็นการพิจารณาย้ําไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วปัญญาก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับไม่ใช่ว่าอยู่ๆขึ้นมาแล้วก็พลุ่งเหมือนกับอยู่ๆแล้วกแก้วมันแตกเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นหรอกปัญญาก็ก็ได้รับการอบรมเจริญมาจน จนดีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพึงทราบว่าท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะทําสับหน้าและสับหลังให้เป็นอันเดียวกันโดยเอกัตตนาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องวิธีการพิจารณาที่กล่าวโดยความเป็นอันเดียวกันสังขารุเปกขายา น, นี้เนื้อหา กว้างขวางนะมาดูต่อไปว่าสังขารุเปกขายานจริงๆแล้วมุนจิตุกรร ม, มยตายานปฏิสังขายานและสังขารุเปกขายาณ น, นั้นก็ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นนี่นะพระโยคาวจรนั้นครั้นกําหนดได้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าด้วยปฏิสังขานุปัสนาญาณอย่างนี้แล้วจึงทําการกําหนดความเป็นของว่างเปล่าอันมี สองเงื่อนอีกว่าสิ่งนี้ว่างเปล่าจากอัตตาและก็ว่างเปล่าจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสุญญาตาสองอย่างใช่ไหมอย่างที่ที่พระนลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าสังขารเป็นของศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรที่ชื่อว่าศูนย์ศูนย์นี่เป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าตานี่ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเนี่ยนะหูก็เหมือนกันนะหูก็ว่างจากตน ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนหูนี่เป็นใครแล้วหูนี่เป็นของใครจมูกนี่เป็นใครจมูกนี่เป็นของใครลิ้นนี่เป็นใครแล้วก็ uhm. ล, ลิ้นนี่เป็นของ ใ, ใ, ใครกายเป็นใครกายเป็นของใครใจเป็นใครแล้วก็ใจนี่เป็นของใครตอบได้ไหมตอบได้ว่าตาก็เป็นตาตาก็เป็นไม่ใช่ของใครแหละแต่ว่าเป็นของที่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอนันนะใช่เลยแต่ไปถามว่าตาเป็นใครหมบอกว่าเป็นสามีของยายไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าตาเนี่ยตาที่มองมองเห็นเนี่ยตานี่เป็นใครบอกตาก็เป็นตานั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกแล้วตาเป็นของใครบอกไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของนายดำนายแดงนั่นแะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันนี้ใช่แน่นอนหูเป็นใครบอกก็หูก็เป็นหูนั่นแหละแล้วเป็นของใครก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจมูกเป็นใคร จมูก็ไม่ใช่ใครแล้วเป็นของใครก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาลิ้นเป็นใครเอาวลิ้นก็เป็นลิ้นนั่นแหละแล้วเป็นของใครเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใจเป็นของใครของเรางี้ย่าใจนี่เป็นเราาวใจนี่ก็เป็นใจนั่นแหละก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อใดเนาะอะไรนะสัญญาและมณสิการอันนี้จึงจะแม่นยำบางคนบอกุ๊ยคิดอย่างงี้จำมาคิดทั้งนั้นแหละอ้าวจาอย่างงี้ดีหรือไม่ดี มีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษให้พ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขควรเจริญหรือควรละควรเจริญเดี๋ยวบอกบางคนนะชอบดูถูกคนอื่นโอ้ยอย่างนี้คิดเอาทั้งนั้นแหละเอาคิดอย่างงี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญดีหรือไม่ดีแล้วทําไมไม่คิดหน่ะกลัวจะเป็นสัญญาใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกปัญหาว่ากลัวแต่ไม่เจริญเนี่ยนะเขามากลัวอย่างเดียวกลัวแต่ไม่เจริญกลัวไปทิ้งไปคว้างทิ้งอันนะธรรมะนี่ง่ายมากนะคว่างทิ้งก็ง่ายมากแค่ไม่คิดถึงก็ทิ้งแล้ว บุญนี่นะไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะของอย่างอื่นนะเราไม่สนใจก็ไปเก็บเก็บวางไว้เฉยๆวันหลังก็เกหยิบมาดูใช่ไหมแต่ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะแค่ไม่เอามาคิดก็ถือว่าเป็นเป็นความเสื่อมแล้วเนี่ยนมันเป็นเหมือนของอะไรนะของพิเศษที่เราถ้าเลิกคิดถึงแล้วสิ่งนั้นจะอันตรธานไปเลยถ้ายังคิดถึงอยู่ก็ยังอยู่ถ้าเลิกคิดถึงเมื่อไหร่อันตรธานหายไปแต่ถ้าสิ่งนี้อันตรธานไปความรู้เหล่านี้อันตรธานไป จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมจะเป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อทุกแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานเนี่ยนะปัญญาเหล่านี้ถ้าเสื่อมแล้วนะเป็นไปเพื่อทุกโทษเป็นไปเพื่ออันตรายจริงๆอะไรที่เสียหายแล้วอันตรายก็คือเสียเสื่อมปัญญาเป็นต้นเสื่อมจากสัมมาทิฏฐิเสื่อมจากความรู้ความเข้าใจนี้อันตรายมากทํายังไงให้ความรู้เหล่าเนี้เกิดเกิดจนเรียกว่าไม่มีใครเปลี่ยนได้ พระอริยสาวกเนี่ยนะไม่มีใครไปบอกให้ไปไปชมให้สังขารเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่มีใครบอกคือคือจะชี้ยยังไงให้ประสังขารเป็นของเที่ยงเนี่ยนะท่านทําใจตามไม่ได้ว่ามันเที่ยงให้ท่านบอกว่าเออเป็นสุขนะสังขารเป็นสุขท่านก็ทําใจไม่ได้ให้บอกว่าสังขารเนี่ยเป็นอัตตาท่านก็ทําใจไม่ได้เพราะจริงๆแล้วสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนกว่าจะแม่นยําขนาดนั้นไม่มีใครกลับเราได้เลยนะ ก็เรียกว่าถูกพระพุทธเจ้ากลับใจจนกลับไปเหกลับไปเห็นว่าสังขารเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาอีกไม่ได้ต่อไปแล้วพร้อมหรือย่างที่จะเป็นแบบนั้นนะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเลิกเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยงสุขงามและอัตตาทําใจไม่ได้จริงๆที่จะบอกว่าสังขารเป็นของเที่ยงอะไรเงี้ยนะถ้าได้ขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะว่าท่านก็มีส่วนที่จะพ้นทุกข์แล้วละเพราะอะไรเพราะท่านเห็นโทษของกองทุกข์แล้ว แต่ถ้าอยากเห็นว่าเอคันห้าเนี่ยนะมันเหมือนกับยาเสพติดถ้ายัางชื่นชมยาเสพติดอยู่อย่าคิดนะจะเลิกได้ถ้ายัางชมว่ามันดีอยู่มีคุณอย่างเงี้ยไม่มีสิดแต่ถ้าบอกว่าเลวมากร้ายมากบอกว่าถ้าอย่างงี้นะด้วยด้วยใจจริงนะด้วยสามัญจะสำนึกจริงๆเนี่ย น, นะไม่นานสับเท่าไหร่เขาจะเลิกได้แล้วก็เบื่อมันเต็มทีแล้วก็เหมือนกันสังขารเนี่ยนะเราติดยิ่งกว่ายาเสพติด คนเลิกยาเสพติดได้ร้อยพันเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่คนที่ปฏิบัติตัดฉันทราคาได้ทีละร้อยทีละพันสมัยนี้หาฟังยากเว้นแต่สมัยพุทธกาลที่บอกจักขู่เป็นของร้อนฟังเมื่อไหร่ก็ บ, บรรลุอย่างเงี้ยนะวันฉันทราคาในขันห้าเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆหนักมากหนักกว่าเลิกยาเสพติดแม้กระทั่งสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่โจรเนี่ยนะโจรถูกโซ่ตรวนเนี่ยผูกมัด แล้วพิสูจนก็บอกโอ้ยมีอะไรที่มันแข็งแรงกว่านี้บอกไหมตัณหาเนี่ยมันแรงกว่านั้นอีกนะมันถูกย่อนแต่แก้ได้ยากตัณหาเนี่ยนะมันคิดยังไงก็คิดว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและเป็นอัตตามันก็เลยวังอยู่ร่ําไปไม่รู้จะไปเอากุญแจโซ่ไหนมาเอากุญแจไหนมาไขออกเนี่ยนะไขให้มันหลุดยากนอกจากอริยมรักอริยมรักนี่มั่นคงมากในความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะเพราะท่านท่านมั่นคงจนไม่มีใครเปลี่ยนท่านได้ เปลี่ยนให้เป็นของเที่ยงก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นของสุขก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นอัตตก็ไม่ได้มันสรุปว่าว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาขันห้าก็เหมือนกันขันห้าไม่ใช่อัตตาและก็ไม่ใช่ของอัตตาเนี่ยนะเพราะไม่มีผู้ใดสร้างขันห้าขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปตามปัจจัยของขันห้า พระโยคาวจรนั้นครันไม่เห็นตัวตนไม่เห็นสัตว์หรือสังขารอะไรๆ อ, อื่นตั้งอยู่ในความเป็นบริขารของอัตตาก็คื อ, คอเมื่อไม่มีอัตตาจะเป็นของอัตตาได้อย่างไรสมมุติถ้าหากว่ามีเราใช่ไหมแล้วเราพูดว่าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอย่างนี้จึงจะพูดได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแล้วของเราจะมีมาจากไหนอนะถ้าเราไม่มีแล้วของเราจะมีมาจากไหนแต่ที่สําคัญว่าเป็นของเราก็เนื่องจากมีมีเราเอาอะไรเป็นเราล่ะ ความคิดอันนั้นหรือเป็นเราและความคิดอันนี้เกิดตลอดไปไหมไมนก็ไม่ตลอดไปแม้แต่ความคิดที่จะสำคัญว่าเป็นเรายังไม่ได้จะหยิบเอาอะไรมาเป็นของเราเล่ามันก็เลยไม่เห็นว่าโอ้จะเห็นว่าเป็นตนเป็นบริขารเป็นข้าวของของตนไม่มีเลยถ้าตนไม่มีตาจะเป็นของตนได้อย่างไรถ้าตนไม่มีหูจะเป็นของตนได้อย่างไรถ้าตนไม่มีจมูกจะเป็นของตนได้อย่างไร ถ้าตนไม่มีลิ้นกายใจจะเป็นของตนได้อย่างไรแต่ว่าภารัปุตตชนทั้งหลายก็ยังแอบว่าเป็นตนเป็นของตนอยู่นั่นนะะเป็นพวกกล่าวตูเข้าวะนะไปเที่ยวอะไรนะไปเห็นบอกว่านั่นของเราอย่างเงี้ยนะนั่นเราโอ้ยไปเที่ยวกุเรื่องทั่วไปหมดเลยกุว่าเป็นตนว่าเป็นของตนซึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเขาเขาบอกว่าออ้ยเนี่ยทาอย่างนี้มันเป็นตัวตนที่ไปทําบอกว่าทํำยังไงให้มันเป็นตัวตน โลกนี้ใครทําให้เป็นตัวตนได้บ้างอ่ะพี่ต่อยทาให้เป็นอัตตาขึ้นได้ไหมสร้างอาัตตาขึ้นมาได้ไหมสร้างอกุศลนะสร้างได้แต่สร้างอัตตาจริงๆเนี่ยสร้างไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีอัตตาอยู่จริงอะไรถึงทาบอกโอ้นี่มันเป็นอัตตามันก็เป็นอนัตตาวันยังคำ่ทำทาให้เป็นอัตตาอย่างไงก็ไม่เป็นอัตตาเพราะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างไรก็ทาให้เป็นอัตตาไม่ได้ แต่ภารละปุตตชนทั้งหลายสําคัญว่าอัตตามีสําคัญว่าอัตตาสร้างขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อ่านไหแต่ก็มีอยู่ในในคาถาธรรมบทนะคนเขลาสําคัญว่านั่นก็ตนนั่นกอดเอ อ, ออะไรนะนั่นกอทรัพย์ของตนนั่นก็บุตรของตนเป็นตน้นโดยตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์เป็นต้น่ะจะมีจากที่ไหนจะ อ, อะไรเนาะมาเป็นว่าเป็นเออเนี่ย นี่เป็นของเรานะแล้วนี่เป็นเราแล้วตัวเราเป็นของเราได้ไหมล่ะเอาไม่ได้โอ้จริงก็ไม่รู้จะว่าไงนะจะไปด่าเขามากเลยเนาะให้เขาโง่อยาให้เขาโง่ต่อไปก็แล้วกันเช่อช่ว ย, วยให้เขาฉลาดขึ้นหน่อยก็แล้วกันว่าไป ก, ก็ก็อะไรนะด่าคนโง่มันก็ด่ายังไงก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นอะไรนะก็โง่ตามเดิมนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าจนมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุนตตาสองเงื่อนได้แล้วนะ อะไรสองไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ใช่ของอัตตาล้วไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของที่<ม>เนื่องด้วยตนเมื่อก่อนนะอู้อ่านทำไมสองคำนี้มันเข้าใจยากอยากเอามันก็มันก็เราอะแล้วจะไม่ให้บอกว่าสิ่งนี้มันของเราได้ยังไงอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคิดแบบภาษาเราสมัยก่อนนนะ เอานี่มันจะไม่ใช่ของเราได้ยังไงก็เพราะนี่มันเป็นเราอ่ะแต่เพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยวิเคราะห์แยกเยะอะไรสัก อ, อย่างเลยนะก็เลยสําคัญว่าเรามีเมื่อเรามีก็ต้องจําเป็นต้องมีของของเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีเมื่อไหร่นะของของเราก็ยังไม่มีทีนี้เอา้าเมื่อเราไม่มีจําเป็นต้องรักษาศีลหรือเปล่าตกลงเป็นยังไงเอา้าเราก็ไม่มีศีลรักษาทําไม บุญเราต้องทําไปทําไมเมื่อทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบุญก็ไม่ต้องทำํำศีลก็ไม่ต้องพระรักษาภาวนาก็ไม่ต้องเจริญเมตตาไม่จําเป็นปล่อยหมดเลยอย่างที่สอะไรนะที่เขาเล่าโจ๊กกันมาว่าเข้าไปในป่าสัมมาเนรูปหนึ่งเข้าไปในป่าไปปฏิบัติบอกบรรลุแล้วก็เลยปล่อยวางหมดเลยโดยที่สุดแม่แต่สะบงอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะั่นอะ่นะเพี้ยนไปแล้วไอ้คาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในที่นี้เนี่ยนะ ในแง่ของทุกขสัตว์เนี่ยว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนทุกขสัตว์เป็นอะไรธรรมะปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้นี่เราพูดทุกขสัตว์อยู่ไม่ได้พูดมรรคสัตว์ทุกขสัตว์ควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญอย่าเอามรรคมาที่บายเป็นทุกขสัตว์จะเพราะมรรคยังไงก็ต้องเจริญวันยังค่ําศีลเที่ยงหรือไม่เที่ยงอยู่อยู่ว่าไม่เที่ยงแต่มีอุปการะมากที่ต้องเจริญ ที่ต้องเจริญเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมรรคหรือศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ฝ่ายพาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญที่เราบอกว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยตนอันนี้คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะนี่อย่างไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็นอนัตตามรรคสัจจะไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาแต่ทุกขสัจจะเป็นปริญยยธรรมมรรคสัจจะเป็น ภาเวตาประธรรมตรงนี้จะต้องแยกให้แม่นยำนะเดี๋ยวเอาไปเอามาปนกันยุ่งไปหมดเออไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราศีลราไมต้องรักษาบางคนนะพิสุรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลบอกว่าเออทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดถ้ากรรมที่อัตตาทำแล้วใครจะรับเนี่ยนะนี่ก็คือความสับสนใช่ไหมความสับสนสมัยนี้ไม่ใช่พุทธกาลอย่างนีน้สมัยนี้ก็สับสนไม่ใช่น้อยศึกษาให้ดีนะไม่งั้นเอาไปเอามาจริงจริงเอ๊งงมันกันเอ๊ะเอาไงกันแม่ บอกทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทําไมต้องรักษาศีลทาไมต้องเจริญเมตตาทําไมต้องเคารพว่านั่นพ่อของเรานั่นเป็นพ่อนั่นเป็นแม่เป็นต้นเนี่ยนะแสดงว่านี้วุ่นวายไปหมดแล้วนะก็ไม่เป็นไรกลับไปเรียนมงคลต้ น, ต, นต้นกันแล้วการ น, นะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเอามาวิจารณ์ระดับสูงแล้วกลับไปเรียนมงคลข้อที่หนึ่งนะนะต่อไปสุญญาตาโดยเงื่อนสีเงื่อนว่างเปล่าสีเงื่อนว่า สุญญตานุปสนานี้เอกว่าเธอไม่เห็นว่าตัวเราในที่ไหนนอะไรมั่งเป็นเราเรานี่อยู่ที่ไหนไม่มีใช่ไหมไม่เห็นว่าเรามีอยู่โดยความเป็นอะไรอะไรของใครๆเราไม่มีเมื่อเราไม่มีแล้วเราเป็นของใครอ่ะเป็นไปเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเราไม่มีแล้วไปเป็นของของใครไปอยู่ในฐานะอะไรตอนแรกก่อนนะเราก็ไม่มีก่อนข้อสองเมื่อเราไม่มีแล้วเราจะอยู่ในฐานะอะไรข้อสาม ไม่เห็นตัวตนของผู้อื่นอยู่ในที่ใดๆและข้อสี่ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในฐานะอะไรเข้าใจนะข้อแรกก่อนเราก็ยังไม่มีใช่ไหมเมื่อเราไม่มีแล้วข้อแรกก่อนนะเราไม่มีสองถ้าเราไม่มีแล้วเราจะอยู่ในฐานะอะไรเอาก็เราไม่มีจะอยู่ในฐานะอะไรข้อสองผู้อื่นไม่เออข้อสามนะข้อสามผู้อื่นก็ไม่มี ข้อสี่แล้วผู้อื่นจะอยู่ในฐานะอะไรไอ้คาว่าผู้อื่นในที่นี้คือหนึ่งนะอัตตาไม่มีในที่นี้เน้นที่อัตตานะอัตตาเมื่ออัตตาไม่มีแล้วอ่ะอัตตาจะไปอยู่ในฐานะอะไรอัตตาเป็นลุงเป็นปะเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องหรือก็อัตตาก็ยังไม่มีเมื่ออัตตาไม่มีแล้วอัตตาจะไปอยู่ในฐานะอะไรข้อสาม อัตตาของผู้อื่นก็ไม่มีเขาสี่เมื่ออัตราของผู้อื่นไม่มีแล้วอัตราอันนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรนะแต่ว่าในนี้ก็อ่านในะใครอ่านเข้าใจก็อนุโมทนาด้วยนะเก่งมากเธอเห็นว่าเราไม่มีในที่ไหนสองไม่เห็นว่าเรามีอยู่ในความเป็นอะไรรของใครๆ น, นะฟังแล้ววนวายไปหมดเลยงงก็ก็คงนะมามาทบทวนแบบภาษาเราๆง่ายๆนิดหน่อยว่าเรามีไหม ไม่มีถ้าเราไม่มีแล้วเราเป็นอยู่ในฐานะอะไรอ่านะก็ไม่ตกอยู่ในฐานะอะไรเลยผู้อื่นมีไหมไม่มีถ้าผู้อื่นไม่มีแล้วเขาจะอยู่ในฐานะอะไรสรุปมีแต่สังขารที่อะไรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือมันวา่างจริงๆว่างจากใครว่างจากของของใครว่างจากผู้อื่นแล้วก็ว่างจากของผู้อื่น เอาอย่างนี้เว่างจากเราว่างจากของของเราว่างจากผู้อื่นว่างจากของผู้อื่นถ้าเราไม่มีแล้วผู้อื่นจะมีมาจากไหนก็โลกนี้สรุปในฐานะสังขารที่เป็นสังขารธรรมล้วนๆที่อนิจจังทุกขังแล้วก็ไม่มีผู้ใดเป็นมีอํานาจว่าจงนิจจังจงสุขังเป็นต้นไม่มีอํานาจอย่างแท้จริงอ่ะนะอันนี้ทีนี้ท่านคำถามว่ายกคําข้างบนนี้มาที่บายว่า ถามว่าความเป็นของว่างเปล่าสีเงื่อนมีอถาธิบายอย่างไรเฉลยอถาธิบายมีอย่างนี้ว่าข้อว่านาหังกวจจิไม่เห็นเราในที่ในไหนได้แก่พระโยคาวจร น, นั้นไม่เห็นอัตตาในที่ในไห น, ไหนอัตตานี่อยู่ในที่ไหนบ้างอะ่ะไม่มีข้อว่ากัจจิกินจนะตัสมิงแปลว่าไม่เห็นว่าเรามีอยู่ในความเป็นอะไรอะไรของใครๆได้แก่ไม่เห็นอัตตาของของตนเนี่ยนะ ที่จะเพึงเข้าไปนำํำอ่าเข้าไปที่พึงนําเข้าไปในความเป็นอะไรอะไรของใครๆคือของผู้อื่นอธิบายว่าไม่เห็นตนที่จะพึงไปในฐานะพี่อนะว่าเป็นพี่เป็นน้องเพราะสําคัญว่าเป็นพี่เป็นน้องพึงนําเข้าไปในฐานะเพื่อนเพราะสําคัญว่าเป็นเพื่อนพึงนําเข้าไปในฐานะบริขารเพราะสําคัญว่าเป็นบริขารสรุปไอคําว่าหนึ่งนะ เราเองก็ยังไม่มีเราเนี่ยไม่มีอยู่ในที่ไหนๆมีแต่สังขารมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือไม่มีอัตตาเมื่ออัตตาอย่างนี้ไม่มีแล้วอัตตาจะไปเป็นพี่ได้ไหมอัตตาจะเป็นน้องได้ไหมในฐานะตกอยู่ในฐานะแห่งพี่ฐานะแห่งน้องฐานะแห่งบริขารของผู้สร้างมีไหมฐานะของพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างได้ไหมไม่ได้สังขารก็คือสังขารวันยังคำ่ำสรุปว่าจะเอาไปคิดในแง่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ นทีนี้ถ้าเป็นพวกที่ไม่ล่วงเลยคําของสามัญชนเอ้าแล้วงั้นคําว่าพี่คําว่าน้องอยู่ที่ไหนล่ะคําว่าเพื่อนนะ่ะเรียกร้องมิตรภาพอะนะหนักๆเข้าก็กลายไปไม่เป็นร้ายกลับไปเรียนโน่น่ะที่ทีวิสุทธิ์ตามเดิมกันแล้วกัน <c oughs> กลับไปเรียนปนหนึ่งใหม่ก็แล้วกันนะแต่ว่าในระดับนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะคนที่จะปล่อยวางจริงๆเนี่ยนะไม่ง้อคนที่จะปล่อยสังขารวางสังขารไม่ยึดถือสังขารเนี่ยต้องรอบรู้สังขาร มองสังขารออกในทุกแง่มุมนะมองสังขารออกในรอบด้านทั้งหมดเลยมาดูข้อสามที่บอกว่าในข้อว่าณจะมามะกาวาจินี้ยกมามะศัพไว้ก่อนคําที่เหลือว่าณนะจะกาวาจิไม่เห็นอัตตาคือตนเนี่ยของผู้อื่นในที่ไหนๆมีคนอื่นไหมใมนีมีความหมายว่าไม่มองเห็นอัตตาของคนอื่นในที่ไหนๆเลยไม่มีอัตตาของใครเลย สุดท้ายก็บอกว่าบัตรนี้มะมะสับเอาออกมาเป็นมะมะ ก, กัสจิกินจนะกินจนินจนะตัดถิแปลว่าไม่เห็นตนของผู้อื่นอยู่ในความเป็นอะไรอะไรในฐานะอะไรอะไรของเราคือไม่เห็นตนของผู้อื่นอยู่ในความเป็นอะไรอะไรในฐานะอะไรอะไร คือในฐานะไหนไหนไม่มีก็ไม่รู้จะเรียกว่าฐานะของสังขารอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นตนเนี่ยนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่บริขารของอะไรสรุปว่าพระโยคาวจรนี้ไม่เห็นอัตตาในที่ไหนไหนไม่เห็นอัตตานั้นะเพึงนำเข้าโดยความเป็นอะไรของบุคคลอื่นไม่เห็นอัตตาของคนอื่นไม่เห็นอัตตาของผู้อื่นที่นาโดยความเป็นอะไรอะไรของตนสรุปว่ามีแต่กองสังขาร ล้วนๆไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่บริขารของอะไรใดๆทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นกําหนดความเป็นของว่างเปล่าโดยสุญญามีเงื่อนสี่อย่างนี้นัได้สุญญาความว่างเปล่าโดยสีเงื่อนไม่ใช่ไม่ใช่